เส้นฟังที่เคารพค่ะเดี๋ยวเราก็มาติดตามฟังกันต่อนะคะว่าพระสูตรที่ท่านพิบู์ได้อ่านในช่วงต้นของรายการเกี่ยวกับเรื่องของที่ตั้งแห่งความเกียดคร้านที่พระพุธองได้ตรัสกับพระภิกษุในยุคพุทธกาลแต่ว่าสําหรับพวกเราซึ่งคนธรรมดาธรรมดานี้มีประโยชน์กับพวกเราหรือไม่และเป็นประโยชน์อย่างไรเอาไปใช้ในชีวิตได้หรือเปล่านะคะเราก็ไปพบ ก, กับพระพิบูลณละพิบุญโนจากวัดป่าดอนหายโศอุดรธานี ซึ่งกำลังจะมีการจัดงานทอดกระถินในวันที่11เดือน11หรือว่าเดือนพฤศจิกายนนี้กราวน้องส ก, การา ค, ค่ะทั้งคะเรียนบอนค่ะพูดถึงพระสูตรที่เราได้กล่าวมาในตอนต้นรายการนู้นค่ะนะคือเรื่องของความเกียรตครันกับความเพียรนะคือจริงๆต้องการจระเปรียบเทียบสองอันนี้ฝั่งโดยเอาพระสูตรที่พระเจ้าพูดถึงกุตาวัตถนะุกุศาวัตถุเนี่ยคือวัตถุแห่งความเกียตครนัน ก็<น>คือคนที่ขี้เกียจเนี่ยคุณหยมติ๋วเขาจะเอาอะไรมาเป็นความขี้เกียจได้หมดเลยแต่บางทีร้อนเกินไปไม่ทํางานาหนาวเกินไปไม่ทํางานอายังเจ้าอยู่ไม่ทํางานออกเย็นแล้วโอ้หยยิวด้วยกระหายด้วยอะไรต่างๆก็จะมีข้ออ้างในการที่จะไม่ทํางานอยู่เรื่อยไปในกรณีผู้เชา่าพูดถึงอะไรในะผู้เชา่าพูดถึงปัจจัย4ีทั้งหมดเลยนะคือคนเดินทางใช่ไหมคนไปกินอาหารเดินทางนี่ก็คือว่าก่อนจะไป วิ่งเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะต้องเหนื่อยงั้นนอนพักก่อนยังไม่ทําความเบียนะนะพอเดินทางเสร็จแล้วโอ้ยเดินทางมาเหนื่อยก็นอนพักก่อนนะไม่ทําความเบียดนะในขณะที่กินข้าวล่ะกินข้าวคุณไปบินิบาทโอ้ได้อาหารน้อยวันนี้อาหารข้าวไม่อร่อยเลยกินไม่มีแรงนอนซะก่อนนะมันจะกินอย่างนี้หรือวันนี้ไปโอ้โหได้อาหารเต็มที่เลยอิ่มแล้วโอ้โหทําอะไรไม่ได้ตัวแน่นเต็มที่เลยกินมากเกินไปนอนซะก่อนอย่างเงี้ยนะคนที่ป่วยก็เหมือนกัน แลนะป่วยนิดๆหน่อยๆก็โอมีข้ออ้างเพื่อจะนอนแล้วเดี๋ยวมันจะลุกรามนอนดีกว่าค่ะหรือว่าป่วยเพิ่งหายป่วยมากๆนี่มันทําอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมพอเพิ่งหายจากป่วยมาอย่างเงี้ยก็มีข้ออ้างแล้วอุ้ยเดี๋ยวมันจะลุกรามมันจะกลับมาอีกเดี๋ยวต้องนอนพักก่อนอย่างเงี้ยค่ะอีกอันหนึ่งคือการเดินทางออกมเดินทางพูดไปแล้วใช่ไหมค่ ะ, ะพูดถึงอะไรล่ะการทํางานอืมการทํางานเดี๋ยวจะต้องทํางานเดี๋ยวทํางานอย่างเช่นงานก่อสร้างหรือว่างาน ในงานประจําเราก็ได้ในงานออฟฟิศก็ได้นะเดี๋ยววันนี้เราต้องใช้สมองมากโอ้ยยังไม่มีเวลานั่งสมาธิหรอกขอชั้นขอ น, นอนก่อนอย่างไงนะหรือวันนี้ทํางานมาทั้งวันเลยเหนื่อยแล้วโอ้ยไม่มีเวลานั่งสมาธิหรอกขอ น, นอนก่อนอันนี้อาตมาไม่ได้ว่าท่านผู้ฟังนะหรือไม่ได้ว่าใครอันนี้พูดตัวอย่างนี่พุทเจ้ายกมาใเฉยนะค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่พุทธเจ้ายกมาบอกว่าอันนี้เป็นกุศีตาวัตถุนะคือที่ตั้งในความเกียรครานในขณะที่คนขยันก็าเป็นยังไงคนขยันเนี่ยนะ เวลาที่เขาจะไปทํางานหรือว่าเดินทางเอาเดินทางก่อ น, นเขาคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวเดินทางแล้วมันจะไม่สามารถปฏิบัติธรรมาของมิจฉาเอาตอนนี้ฉันทำก่อนนะหรือว่าเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยแล้วเนี่ยโอเด็ดเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยทายอยําไงดีก็มาคิดว่าโอ้ยตอนเดินทางนี้ฉันไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยนะเอาวันนี้ฉันทำก่อนเดี๋ยวตอนนี้ฉันทำก่อนหรือว่าการทํางานอย่างเงี้ยงานการโอ้โหเดี๋ยววันนี้ต้องทํางานเว้ยเดี๋ยววันนี้ต้องไปงานเยอะงานมากเอาวันนี้เดี๋ยวตอนนี้รีบนั่งสมาธิก่อน นะหรือว่าเพิ่งทํางานมาเหน็ดเหนื่อยเลยงั้นตอนที่ทํางา น, นเหน็ดเหนื่อยเนี่ยไม่มีกําลังที่จะปฏิบัติสมาธิได้ตอนนี้เรามีเวลาเราทําก่อนอย่างเงี้ยค่ะเช่นเดียวกันกินอาหารนะตอนที่ไปบิณฑบาตมาสแสวงหาอาหารได้อาหารนิดเดียวนะก็กายก็เบ า, ก, เบาก็ควรทําความเปลี่ยนก็รีบทําเลยในขณะที่พอสแสวงหาอาหารได้มากนะหาอาหารได้มากเต็มตามที่ต้องการนะกายก็ไม่เป็นกายที่หนักเพราะว่าตอนรับประทานนี้มีสติอยู่ใช่ไหมก็อาศัยกายที่เบ า, เบานั้นทำความเปลี่ยนได้อีก คนป่วยเป็นยังไงคนป่วยที่มีความเพียรเนี่ยพอมีอาการป่วยเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะคิดว่าอุ้ยเดี๋ยวอาการป่วยนี้ลุกลามงั้นเราที่ทําความเพียรก่อนนะไม่นอนนะในขณะที่พอป่วยมาหนักแล้วนะหายเริ่มหายจากป่วยหนักๆนี่ยก็มาคิดว่าโอ้ย oh, ถ้าผม ว, ว่าอาการป่วยนั้นกนลับมาอีกจะทํายังไงฉันรีบทําความเพียรตอนนี้ดีกว่านะซึ่งจะเป็นตรงกันข้ามกันกันกนกบคนที่ขี้เกียจเลยนะด้วยความตรงกันข้ามอาศัยเหตุปจัปจจัยเหมือนกัน เนะีเช่นป่วยอย่างเงี้ยนะคนคะป่วยนิดนิดหน่อยหนอยเนี่ยถ้าเป็นคนขยันจะคิดว่าอุ้ยถ้าอาการป่วยนี้มันหนักไปนะฉันต้องแยกแน่เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันนั่งสมาธิก่อนในะขณะที่คนขี้เกียจนะอาการเดียวกันเกิดขึ้นนะจะมีความคิดว่าอุ้ยเดี๋ยวอาการป่วยนี้ลูกลามตอนนี้นอนก่อนนะเหตุการณ์เดียวเกิดขึ้นเดียวกันเกิดขึ้นคนโยมติว๋ว ค, คนขี้เกียจก็จะรวยหลาไหลไปทางขี้เกียจนะคนที่ขยันก็จะมีความพึดสู้ขึ้นมาว่าฉันต้องทําความเปลี่ยนตอนนี้ นะสองคนนี้เจอเหตุการณ์เดียวกันนะแต่ทำไมเขาถึงตัดสินใจคนละแบบล่ะเออทำไมเขาถึงเอาเป็นที่ตั้งการปรารบความเพียรสำหรับคนขหยันนะคนขี้เกียจก็เอาเป็นที่ตั้งแห่งวัตถุแห่งความขี้เกียจสำหรับคนขี้เกียจก็เป็นอย่างนั้นแหละนมันต่างกันน่ะนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมายถึงว่าไม่ต้องมีข้ออ้างทุกอย่างถ้าหากว่าจะปฏิบัติแล้ว ทำได้หมดแม้กระทั่งป่วยไข้ไม่สบายใช่ทำได้ทันทีทำได้เดี๋ยวนั้นทำได้วินาทีนั้นด้วยแล้วไม่ใช่ว่ามันจะยากอะไรนะก็ทำได้ทันทีอืค่ะสมมติว่าป่วยจะแย่งเนี้ยทาไงคะท่านอาจารย์มันตรงนั้นมันต้องหยุดไงปวดหัวตัวร้อนไปหมดค่ะตรงนั้นผู้เช้าก็เว้นไว้คือหมายก็ว่าถ้าป่วยนิดหน่นยนอยหน่อยนะมันมีอยู่สามขั้นใช่ไหมคือป่วยนิดหน่อยหน่อยกับป่วยหนักจนทําอะไรไม่ได้แล้วขั้นสุดท้ายก็คือเริ่มดีขึ้น แต่ผู้ช้าพูดถึงตอนขั้นแรกที่ว่ากําลังเริ่มป่วยเนี่ยถ้าคนขี้เกียจก็จะไม่ทําแต่ถ้าคนขยันทําด้วยในขณะที่ถ้ามาป่วยหนักมากๆเลยทั้งคนขี้เกียจคนขยันแต่ทั้งขี้เกียจทั้งขยันทําไม่ได้ล่ะต้องหยุดละะแต่จริงๆแล้วสมมุติอไม่ต้องสมมตินะคะที่ฉันก็มักจะได้ยินการพูดถึงคนที่ป่วยมากๆคือเหมือนกับว่าเป็นตายเท่ากันแล้วล่ะอือะเหมือนกับในทางพระพุทธศาสนาบอกว่าต้องเลือกละ ว, ว่าจะไป ใช้เวลาในช่วงบั้นปลายของชีวิตอย่างไรมันก็เหมือนกับการนํามาสู่การปฏิบัติเหมือนกันแต่ถ้าฟังท่านพูดเมื่อสักครู่นี้เหมือนกับถ้าป่วยหนักก็ไม่ต้องก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้พูดถึงการการป่วยหนักเนี่ยคือไม่สามารถทําความเปลี่ยนได้เลยนะอย่างเช่นว่าคุณผ่าตาอย่างเงี้ยนอนสลบอยู่อย่างเงี้ยมันทําความเปี่ยนไม่ได้แล้วนอนสลบอยู่อย่างเงี้ยนั่นคื อ, คอที่ที่ว่าไม่สามารถทําความเปลี่ยนได้เลยจริงๆอะน ะ, ะอะก็คือต้องต้องงด ไม่ว่าจะคนขี้เกียจคนขยันก็จะต้องโดได้คือหมายความว่าสภาพบังคั บ, บ, คบให้ทําไม่ได้ใช่แบบนี้ทาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไไไนแต่ถ้าหากว่าสมมุตินะคะคนป่วยนี้อาจจะไม่สามารถขยับขยันเคลื่อนไหวได้แล้วแล้วก็องได้ยินเสียงคนอื่นอยู่ญาติพี่น้องนี่ก็ไม่รู้ล่ะแต่อยากจะให้ไปดีก็มกันกระซิบบอกที่หูให้ทำโน้นทนํานี่ซึ่งเขาอาจจะทําตามก็ได้ได้ใช่ใช่อย่างนี้ถือว่า อยู่ยในขา ย, ยที่ทำได้ท่านค้าที่นี้อีกประการหนึ่งาบางทีก็จะได้ยินว่ามีพุทธวจนะตราสไว้ประมาณว่าถ้าสมมติว่าเราง่วงนอนก็จะให้แก้ด้วยวิธีสวดมนต์บ้างแก้ให้วิธีเดินจงกรมบ้างแล้วมีวิธีอะไรอีกนะคะถ้าง่วงนอนจะสวดมนต์เดินจงกรมเอามือรูปตัวเอาน้ำล้างหน้า เหลือดูทิศทั้งหลายงั้นดูดาวฤกษ์พวกนี้ได้หมดและถ้าสมมุติว่าไม่ไหวแล้วให้ไปนอนไปนอนซะทีได้ยินอย่างนี้ค่ะทีนี้พอตอนนอนก็มีพระสูตรเกี่ยวกับการนอนอีกอืมนะคะว่าถ้าจะนอนก็สามารถที่จะปฏิบัติได้คือภาวนาก่อนที่จะหลับอันนี้มันมีเป็นพุทธพจน์ยังไงนะคะที่ฉันไม่จำไม่ได้ค่ะเออก็คือว่าถ้า เออเรามีสมาธิอยู่ใช่ไหมจิตน้อมไปเพื่อการนอนนะเราก็น้อมไปเพื่อการนอนด้วยความคิดว่าอกุศลธรรมทั้งหลายอย่าได้ตามจิตของเราผู้นอนอยู่อย่างนี้เลยอย่างเงี้ยนะก็คือยังไงนะคะคือหมายว่าจิตเราน้อมไปเพื่อการนอนใช่ไหมเราก็นอนด้วยความคิดว่าบาปอกุศลธรรมทั้งหลายอย่าไปตามเราผู้นอนอยู่ด้วยอาการอย่างนี้อคือคิดด้วยความคิดว่า บ า, ากุศลแล้วทำทั้งหลายอย่าไปตามเราอย่าตามเราไปผู้นอนอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แค่นั้นเองค่ะก็ก็หมายความว่าเมื่อล้มตัวลงนอนปุ๊บให้จิตระลึกอย่างนี้ใช่คือการรู้ลมหายใจอย่างที่เป็นหลักพื้นฐานในการปฏิบัติไหมคะถูกต้องถูกต้องนะคือคืออย่างนี้คืออย่างไ ง, งก็คือการมีสติอยู่อย่างต่อเนื่องออืค่ะ ที่คุณยมถึงพูดถึงเระเด็นตรงนี้ดีมากเลยนะคือหมายว่าเอ๊ยนอนเอ๊ยนอนแบบว่าง่วงแล้วทําไมพระเจ้าบอกให้ไปนอนยังบอกเทคนิคการนอนด้วยในขณะที่พอบอกว่าคนขี้เกียจเอาแต่นอนเอาแต่นอนเอ๊ะแล้วนอนกับของคนขี้เกียจกับนอนของที่เราต้องนอนจริงๆมันต่างกันยังไงมันมีความต่างกันอยู่คือคือคนขี้เกียจเนี่ยนะอย่างสมมติคุณนอนคุณนอนกี่ชั่วโมงปกติแต่บางคนหชั่วโมง4ี่ชั่วโมง6ชั่วโมง8ดชั่วโมงแล้วแต่นะ ในขณะที่เรานอนตามปกติแล้วเนี่ยเรายังง่วงนอนอยู่อันนี้แสดงว่าเอก ง, ง่วงนอนที่เกินมาเนี่ยเป็นความขี้เกียจละ่ะนบางคนนอนมันหกชั่วโมงก็พอเพียงแล้วนะแต่ก็ยังไปหานอนอยู่บางคนนอนเนี่ยก็ไม่ได้หลับหรอกก็พลิกไปพลิกมาตัวตื่นอยู่แต่ว่ายังเองกายนอนอยู่คือประกอบความสูญในการเองข้างอย่างเงี้ย อ, อันนี้ไม่ใช่นะพุช่าบอกว่าเวลานอนเนี่ยนะ สมมติคนที่ง่วงนอนปฏิบัติตามกฎก8ข้อแล้วก็ยังง่วงอยู่เดินแล้วก็ยังง่วงอยู่เนี่ยคุณไปนอนซะพอนอนแล้วตั้งจิตยังไงนะตั้งจิตไว้ก่อนนอนเลยนะว่าเมื่อเรารู้สึกตัวเมื่อไหร่เราจะลุกขึ้นทันทีนะคือจะไม่ประกอบความสุขในการเองข้างความสุขในการเคลื่มหลับนะความสุขในการหลับไหลคือหมายความว่าบางคนเนี่ยมานั่งสมาธิจริงมาปฏิบัติธรรมจริงเลยนะแต่มาชั่วโมงเนี่ยกะเต็มที่เลยฉันจะหลับหลับโดยท่านั่งนะ อันนี้คือคุณประกอบความสุขในการเคลิ้มหลับนะค่ะอันนี้ไม่ถูกนะค่ะท่านพูดถึงแต่มันก็มีละเอียดมากนะทีพูดถึงจากประสบการณ์สมมติว่าเราก็เป็นคนทางานนะคะแล้วก็แม้มีความประสงค์จะปฏิบัติธรรมในก่อนที่จะนอนนี่แหละเพียงแต่มันไม่สามารถทีนี้คันจะนั่งทำสมาธิก็กลัวว่าเดี๋ยวนอนน้อยผู้นี้ทางานไม่มีประสิทธิภาพก็เลย อนอนไปแล้วภาวนาไปเรื่อยๆอางนี้ผิดไหมคะอ๋อทำได้นอนทําในท่านอนก็ได้นะคะเพราะว่าดิฉันเข้าใจว่าคงจะมีคนหลายคนทีเดียวที่เป็นคนทํางานแล้วก็จะเจอแบบเนี้ยนะคะว่าเมื่อถึงวันหนึ่งจะได้พบว่าการนอนนสําคัญกว่าการรับประธานอีกอคือถ้านอนไม่พอในีมันไม่ไหวใช่แต่ใจหนึ่งก็อยากจะปฏิบัติอแล้วก็นับชั่วโมงดูละพรุ่งนี้จะแย่แน่ นอนปฏิบัติไปซะเลยได้นี่<อ>ได้ไดก็คือตกอย่างน้อยเนี่ยเรายังมีความระลึกถึงว่าเอ้ฉันต้องปฏิบัตินะแต่ ค, คนขี้เกียจนไม่นึกเลยนะมันเอานอนอย่างเดียวถึงเงถึงเง็นที่นอนมันฟาดเลยคแต่ฟาดลงเลยเอาตัวฟาดลงเลยคยุณโยมติ๋วไม่ได้คิดว่าฉันจะต้องมาทําอะไรอนี้คือคนขี้เกียจเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนอนยังยมีความพื่สู้นิดนึงว่าเอ้ฉันต้องทําอะไรสักอย่า ง, างนึงนะกับชีวิตฉันด้วยท่าไหนดีโอ้แต่ว่ามันอันนี้เราจะเหนื่อยมากแล้วนะ เราเราจะต้องพักผ่อนจริงๆล่ะน้อเรายังทำนิดนึงอ่ะเราก็ยังได้ข้อข้อความเพียนตรงนี้ค่ ะ, ะยังมีที่ตั้งแห่งความขยันอยู่ก็เท่ากับว่าเราก็อย่าไปเล่นอ่าเขาเรียกนะคะกระลอนอนะจะใช้แบบไม่ตรไปตรงมาการคำสอนของพระพุทธองค์นะคะคือต้องให้เป็นเรื่องที่อ่ะไม่ได้ขี้เกียจจริงๆ อย่างนี้ก็ถึงจะถือว่าเป็นการาปฏิบัติที่ได้ผลไม่ผิดศีลใช่คือเหมือว่าไม่ผิดธรรมมานะคือตรงนี้ <c oughs> เราเรารู้ได้ด้วยใจของเราสิคุณยมติวค่ะ <c oughs> คือหมายความว่าความขี้เกียจเนี่ยมันเป็นสนิมกัดกร่อนมันเป็นอกุศลธรรมค่ะ <c oughs> แต่ถ้ามันเกิดขึ้นในใจปุ๊บเราต้องเอาออก อ, อกย่างบางทีเนี่ยตามาเหนื่อยมากๆเลยนะเราเหนื่อยมากๆจะแทบจะล้มเลยแต่ว่าเราตั้งตั้งใจว่าฉันจะต้องนั่งสมาธิทุกคืนก่อนนอนอย่างเงี้ย อ้าวันนี้ทำนะคือปกติจะนั่งชั่วโมงหนึ่งวันนี้ทําไม่ไหวจริงๆงั้นขอนั้งสามนาทีนะคืออย่างน้อยให้มีให้ทําทํานิดนึงก็ยังดีนะดีกว่าเราเลิกล้างไปแล้วมันก็จะกินใจเราไปนิดนึงนะค่ะก็หมายความว่าความเพียรนั้นไม่ดีเลยกับการที่ระหวังผลของการปฏิบัติเพราะผลมันจะไม่เกิดถ้าเราไม่ปฏิบัติอืมหรือทําน้อยหรือหาข้ออ้างอืม เขาพระพุชธเจ้าใช้คาว่าปรารบความเพียรย่อหย่อนปรารบความเพียรย่อหย่อนแม้ฟังแล้วไพเราะนะคะดูแล้วเหมือนกับนิ่มนวลมากเลยในวิธีพูดแต่หมายความว่าไงนะคือหมายความว่าคุณทําหยอกหยอกอย่างแยกทาแบบขอไปที่นะทก็สักว่าสาบานน้ไม่ตายนะภาษาอีสานเก็จะมีอย่างนี้งงนะะทำเพียงาาสาบานน้ไม่ตาย สาบานน้ำไม่ตายใช่ใช่สมมติมตแปล<อ>ว่าอะไรกะสมมติว่าทุกคนมาร่วมกันเราวันนี้เราจะทําความฌานวัดมีคนหนึ่งมีความคิดอย่างนี้บอกว่าโห้ยทําความฌานวัดจะเหนื่อยแต่ถ้าแหมคนนี้นะหัวหน้าคนนี้นะเขาจะให้เราสาบานนะสุดท้ายเนี่ยว่าเราจะต้องทําหรือไม่ทําเอางี้แล้วกันฉันไปทํานิดหน่อย น, อยนะกว่าสักสองสามทีนะถ้าเขาเรียกเราสาบานเราจะไม่ตายอย่างไงี้ยเข้าใจไหม คือถ้าใครสาบานนะทุกคนสาบานถ้าคุณไม่ทําจะต้องตายถูกฟ้าผ่าตายแต่ฉันตามนะฉันทําต้องนิ่นๆหน่อยกวา่าสองสามทีน ะ, ะนั่นก็คือคลักษณะว่าไม่ได้หวังว่า ง, งานจะสําเร็จน่ะเพี่แต่หวังว่าพอถ้าเขาเรียกว่าให้เราสาบานเราก็ไม่ตายอย่างเงี้ยจึงเป็นคําว่าสาบานเลยค่ะสาบานน้ําไม่ตายสาบานน้ำไม่ตายเป็นสําูวณของชาวพิศานแปลกดีสาบานน้ําไม่ตายนะคะทางฝั่งวันนี้นอกเหนือจากได้ เรียนรู้พระสูตรคือผู้ทวชนะที่พระพุทธองค์ตรัสสอนแล้วยังได้เรียนรู้ว่าสำนวนของคนอีสานเป็นอย่างไรด้วยค่ะก็แย่ๆเหาะเหะแยะๆถูกไหมคะใช่นั่นแหละนั่นแหละหละท่านครับเวลาอ่าแหมดิชันออกนอกเรื่องนิดได้ไหมครับเพราะคิดว่าเรื่องนี้จะคงได้ประโยชน์กับเต็มที่ละอืคนอีสานแถวอุดรเวลาทอดกระถินเขาทํายังไงบ้างคะแบบชาวบ้านชาวบ้านนี่ยค่ะอประเพณีที่นี่เขาจะมีต้นเงินนะ คือเหมือนเขาว่าเป็นการเชื้อเชิญให้คนอื่นได้มาร่วมกันซึ่งอธรมาก็ไม่ได้เห็นที่เดียวกันนะะถึงเขาจะปักต้นเงินก็คือเห็นว่าเอ้าถ้ามีใครเห็นต้นเงินก็รู้แล้วว่าอ๋อนี่เขามีงานบุญกันนะเเราช่วยร่วมกันร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันอย่างเงี้ยในขณะนี้นะก็จะที่เห็นจะแตกต่างก็จะมีตรงนี้ส่วนเรื่องของกฐินก็จะต้องตามที่พระบัญญัติอยู่แล้วจํานวนพระเอวยวันเวลาเออย แต่พวกนี้ก็ต้องเหมือนกันค่ะนะก็เป็นเรื่องที่ทำเป็นประเพณีโดยหลักก็ต้องยึดอาตามทสูรใช่ไหมคะใช่ใช่ซึ่งเดี๋ยวถ้ารายละเอียดของทสูรเอาไว้กลับเดินถามท่านต่อไปดีกว่าแต่ว่าถ้าโดยปลีกย่อยตามแบบประเพณีของแต่ละพื้นถิน่นอันนี้ก็อาจจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะ<อ>และวันนี้คิดว่าสงสัยพอควรแก่เวลาแล้วมั้งคะต้องใช่ใช กลานมติการของพระคุณท่านเรบุรแล้วนะคะเรียนผานมติการของพระคุณค่ะค่านฟังที่ครบครับและนี่ก็คือรายการสันติมีสนท น, นานะคะวัดปารอนไหโซดอนทานีอยู่อําเภอหนองหานค่ะกําลังจะมีการากทอดกระถินกันในวันที่สิบเอดเดือนสิบอ็ดหรือว่าเดือนพฤศจิ ก, กายนรายละเอียดสอบถามได้จากทางเจ้าที่สถานีวิทยุนะคะดิฉันได้ฝากหมายเลขที่จะติดต่อไปแล้วเรียบร้อยในขณะที่ เพี m a c o m ม /106 นะคะท่านจะถามคำถามท่านพิบู์ไปได้แล้วก็สำหรับผู้ที่ต้องการหนังสือหรือจะทิ้งคำถามไม่ด้วยที่222690006นะคะท่านอาจารย์ครุกริโสธิพโลท่านเจ้าวาดวนาประพงค์ลำลกกาคลองสิที่พระมารชาคาวโรซึ่งจะมาพบกับท่านในช่วงแรกของรายการแต่ว่าขอเป็นจันาห์หน้านะครับเพราะสัปดาห์นี้ท่านพักอยู่ก็ จะมีการทอกระทินในวันที่4พฤศจิกายนเพื่อาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วไปแล้วเดี๋ยวจะลาท่านไปกกอนเพื่อที่จะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพุ้ทวสวัสดีค่ะ